สรุปหลักวิธีสร้างไอเดียใหม่แบ่งเป็นสามขั้นตอนหลักๆหนึ่งทรงกลมตั้งเป้าให้ชัดว่าจะเอาอะไรเป็นที่ต้องการของคุณเองและคุณคิดจะใช้มันจริงๆข้อนี้จึงเปรียบเหมือนทรงกลมที่คุณจะใช้เป็นตัวตั้งในการสร้างไอเดียแต่ละวันคุณถูกกระตุ้นจากเงื่อนไขแวดล้อมให้อยากได้โน้นอยากได้นี่ แต่ไม่มีใครทำมาขายคุณมักได้แต่เก็บมาคิดว่าน่าจะมีใครทำเพื่อมาให้คุณใจเงินซื้อแล้วคนส่วนใหญ่ในโลกก็คิดแบบเดียวกันกับคุณเส้อด้วยมีเพียงหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในล้านที่ลุกขึ้นมาทำเองและขายก่อนเลยได้รวยก่อนสำหรับข้อนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำ อาจจะเป็นแค่การคิดใช้มือถือให้เป็นประโยชน์กล่าวคือเมื่อใดที่นึกในใจทำนองว่าอยากได้จังทำไมไม่มีใครทำออกมาขายเลยให้จดบันทึกไว้คุณจะประหลาดใจว่าหลังจากจดไปได้สักสิบถึงยี่สิบรายการจะมีอยู่รายการหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณทำเองเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่นา สองกวยสามเหลี่ยมคิดถึงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเป้าหมายแต่เป็นข้าวของหรืออะไรบางอย่างที่จับต้องได้และใช้จริงกันอย่างแพร่หลายข้อนี้จึงนำไปเปรียบได้กับกรวยสามเหลี่ยมที่คุณจะต้องนำมารวมร่างกับทรงกลมในข้อแรกให้ได้คำถามที่คุณอาจมีขึ้นมาในใจคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือกรวยสามเหลี่ยม ขั้นตอนนี้คุณจำเป็นต้องเลิกคิดและปล่อยให้สิ่งที่คุณไม่คิดวิ่งมาชนคุณเองฟังแล้วอาจแปลกแต่รู้วิธีแล้วจะเข้าใจยุคไอทีมีดีตรงที่คุณสามารถหาภาพจากคำเพียงคำเดียวได้เป็นล้านไม่ซ้ำกันเพียงเข้าไปที่ google com yahoo com หรือ Search Engine ใดๆก็ตามซึ่งให้บริการอยู่บนอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่นทรงกลมของคุณคือดอกไม้ถ้าคุณค้นหาคำว่าดอกไม้โดยกำหนดเลือกแบบการสืบหาเป็นค้นรูปก็จะได้ภาพเกี่ยวกับดอกไม้ออกมามากมายก่ายกองในบรรดาภาพดอกไม้จำนวนมากอาจมีเพียงแค่ภาพหรือสองภาพที่สะดุดตาโดดเด่นกว่าภาพอื่นเช่นที่นี้มีอยู่ภาพหนึ่ง นำดอกไม้มาจัดเรียงใหม่เป็นตัวอักษร l o p e อีกภาพหนึ่งทาลูกไฟพ่นออกมาจากดอกไม้อะไรทํานองนี้สามารถกระตุ้นความนึกคิดของคุณให้หลุดจากกรอบของดอกไม้โดดๆได้สมมุติว่าคุณพบว่าลูกไฟน่าจะเป็นปรวยสามเหลี่ยมคุณอาจถูกกระตุ้นให้คิดถึงสินค้าแปลกใหม่ ที่อยู่ในโลกความจริงยกตัวอย่างเช่นดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีไฟกระพริบประกอบอยู่ด้วยรล่าวกับว่ามันกําลังพ่นละอองไฟออกมาซึ่งถ้าเก๋พอก็กลายเป็นของขายได้แล้วอีกทีคุณอาจคิดคำที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกไม้เลยเพื่อฉีกกรอบออกไปให้สุดกล่าวคือเมื่อมองรูปที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่ใจคุณพยายามโยงให้มันเกี่ยวในที่สุดความคิดแบบจินตนาการจะฉายแสงจ้าออกมาไม่นาทีใดก็นาทีหนึ่งไม่กับรูปใดก็กับรูปหนึ่งหรือแทนการนั่งคิดหัวแทบแตกอยู่กับโต๊ะทำงานแล้วไม่ไปถึงไหนเสียทีคุณอาจลุกจากโต๊ะโดยมีทรงกลมไว้ในใจลึกๆแล้วออกไปตลอดๆให้หายเครียด ทำเหมือนจะเลิกคิดเรื่องงานแล้วระหว่างทางนั้นเองคุณอาจพบบางสิ่งบางอย่างที่สว่างเด่นเป็นไฮไลท์เข้าตาเช่นป้ายโฆษณาตามทางอาจกระตุ้นให้คุณนึกออกว่าจะนำเสนอทรงกลมให้โดดเด่นขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อกลวยสามเหลี่ยมเปล่งแสงสว่างขึ้นมาอย่ารอช้าให้รีบจดรีบเขียนมันอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย อีกทั้งคุณอาจจะเจอกลวยสามเหลี่ยมได้อีกหลายครั้งจากหลายสถานที่แต่ยังไรก็จุดชนวนกระแสความคิดรวมร่างขึ้นมาในหัวคุณได้จริงแล้วในที่สุดก็ต้องประหลาดใจว่าคุณรู้สึกถึงกลวยสามเหลี่ยมในสิ่งรอบตัวได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆซึ่งแท้จริงไม่ใช่ความมหัศจรรย์ลึกลับอันใด มันก็แค่การปลุกสมองส่วนที่หลับไหลมานานให้ตื่นขึ้นทำงานเสียทีเท่านั้นเองรูปภาพเป็นสิ่งที่กระตุ้นความนึกคิดได้แบบเฉียบพลันทันใดแม้ว่าทรงกลมและกรวยสามเหลี่ยมในใจคุณอาจไม่ใช่รูปภาพแต่รูปภาพก็มักกระตุ้นให้กลุ่มความคิดที่เคยเกลกลางเปล่าในหัวแตกตัวออกมาเป็นคำสำคัญคำเดียว หรือสองสามคำที่มีอิทธิพลให้นึกออกต่อยอดได้อย่างดี 3. ปรับแต่งคุณคงจำได้ว่าเมื่อนำครวยสามเหลี่ยมมาซ้อนทับทรงกลมก็จะเกิดความรับรู้หรือเห็นว่าทั้งสองรูปทรงรวมกันกลายร่างเป็นอะไรอย่างหนึ่งแต่พอนำครวยสามเหลี่ยมไปไว้ใต้ทรงกลม ก็จะกลายร่างเป็นอะไรอีกอย่างคนละเรื่องคนละความหมายรู้หมายจำทีเดียวแล้วแม้นำกรวยสามเหลี่ยมมาอยู่ข้างล่างถ้าไม่ปรับแต่งลดขนาดกรวยสามเหลี่ยมลงการรับรู้ก็จะไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นด้วยที่สำคัญที่สุดถ้าคุณไม่ลองถูกลองผิดละหลายแบบแนวโน้มคือคุณจะได้รูปทรงใหม่ที่ดูมั่วเอามาใช้การอะไรไม่ได้จริงสักอย่าง ขั้นตอนการปรับแต่งเป็นสิ่งที่ต้องทุ่มเทต้องใช้เวลาและต้องมีความใจเย็นไม่ด่วนสรุปเลือกไม่คิดว่าเป็นผลลัพธ์สุดท้ายทั้งที่เพิ่งลองประกอบร่างไปได้แค่สองสามรูปแบบเท่านั้นเหมือนเช่นที่สมาร์ทโฟนพัฒนามาถึงขั้นนี้ต้องมีการปฏิรูปและปฏิวัติกันหลายรอบจากหลายบริษัทยักษ์ผ่านสนามการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่าคิดว่าที่สุดอยู่ที่ปีนี้เดี๋ยวปีหน้าก็มีไอเดียใหม่มาให้เห็นหากสตีฟจ็อบสไม่คิดใหญ่สั่งให้วิจัยระดมทุนค้นคว้าพัฒนาหน้าจอสัมผัสให้ดีป่านี้เราอาจจะยังไม่รู้จักไอโฟนแล้วก็ไม่มีคู่แข่งไอโฟนพุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเหมือนอย่างในปัจจุบันและแล้าสมาร์ทโฟนก็จะเป็นอะไรที่ใช้ยาก มีคนกลุ่มเดียวนิยมเล่นอยู่หรือกระทั่งสูญหายตายจากไปเลยโทษฐานที่ใช้ไม่ได้ดีใช้ไม่ได้จริงแม้ไอเดียจะถือเป็นสุดยอดการใช้งานเกือบสมบูรณ์แบบอยู่รำไร iPhone ที่พลิกโฉมหน้าการสื่อสารระดับโลกทำให้สตีฟจ็อบส์ถูกมองเป็นอัจฉริยะในการแลเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เขาถึงเคยลั่นวาทะว่าลูกค้าไม่รู้หรอกว่าต้องการอะไรจนกว่าจะมีใครเอาสิ่งที่ต้องการไปให้เขาถึงมืออย่างไรก็ตามสตีฟจ็อบไม่เคยทดลองตลาดและไม่เคยรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าทั่วโลกว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนควร ม, มีขนาดเป็นเท่าไหร่เขาเชื่อมั่นว่าขนาดของสมาร์ทโฟน ควรเล็กพอจะกมได้รอบด้วยมือข้างเดียวซึ่งนั่นก็ทาให้ไอโฟนไม่เคยมีขนาดหน้าจอเกินสนิ้วตราบเท่าที่จ็อบยังมีชีวิตเขาเคยบอกเหตุผลไว้กลางปีกรกตศกราชส2010ว่าจะไม่มีใครซื้อโทรศัพท์ที่ใหญ่เกินกว่าจะใช้งานด้วยมือเดียวได้คำพูดดังกล่าวมีขึ้น เพื่อทิมแทงคู่แข่งอย่างซั s u ุงซึ่งเพิ่งผลิตโทรศัพท์หน้าจอใหญ่เกินสนิ้วออกมาลองตลาดโลกหลังส t ี v จ j อ b s จากโลกนี้ไปแล้วปลายปีกรกตศกราช2014บริษัทของเขาส่งไ h o n e ขนาดหน้าจอสี่จุดเจดนิ้วและห้าจุดห้านิ้วปรากฏว่ายอดจองใน24สิบี่ชั่วโมงเกินสี่ล้านเครื่องซึ่งมากกว่ายอดจองไ h o n e หน้าจอเล็กทุกรุ่น ที่ผ่านมาหลายเท่าตัวกรณีนี้สะท้อนว่าการปรับแต่งไอเดียไม่ควรเกิดขึ้นจากคนคนเดียวให้แน่แค่ไหนยังไงก็ไม่รู้จริงรบกว่ากลุ่มผู้ใช้วงกว้างต้องการอะไรจริงๆแล้วสติปจอบส์คือหัวจใกสำคัญในการทำหน้าจอสัมผัสให้ใช้ได้จริงไม่ใช่กระโหล ก, กลาเหมือนของเก่า สมาร์ทโฟนกลายเป็นของขาดไม่ได้สำหรับคนทั่วโลกขึ้นมาแต่กลับมองผิดคิดพลาดตรงเรื่องความกว้างของหน้าจอซึ่งจ็อบอาศัยความรู้สึกตัวเองเป็นหลักว่าต้องขนาดไม่เกิน4นิ้วเพื่อให้จับถนัดทั้งที่แท้ผู้ใช้ตัวจริงต้องการหน้าจอขนาดเกือบ5้านิ้วขึ้นไปเพื่อจะได้เล่นเน็ตให้สะดวกหน่อย สรุปแล้วคนที่กล้าทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลอาจจำเป็นสำหรับไอเดียสร้างนงวัตกรรมใหม่ๆแต่ลูกค้าทั่วไปเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินทิศทางการตลาดที่แท้จริงทรงกลมและกรวยสามเหลี่ยมเป็นเพียงหลักการคร่าวๆคุณจะต้องผจญภัยทางความคิดบ่อยๆฝึกหัดที่จะเป็นนักผสมผสานด้วยตนเอง อยากเข้าใจว่ามีอุบายวิธีลัดใดช่วยให้คุณกลายเป็นนักคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาได้เร็วเ็วส่วนการปรับแต่งนั้นแท้จริงคือการฝึกเห็นใจคนอื่นนั่นเองเมื่อรู้ความต้องการของตนเองด้วยเห็นใจคนอื่นด้วยในที่สุดคุณจะได้ไอเดียที่ช่วยให้คนหมู่มากมีความสุขมีความติดใจแล้วก็อยากแชร์ผลงานจากไอเดียของคุณ วางไกลไม่รู้จก